คนเราโดนมาอย่างไรก็ไปทํากับคนอื่นอย่างนั้นน้อยนักที่โดนมาอย่างไรแล้วคิดจะไม่ทําอย่างนั้นกับคนอื่นเด็ดขาดการโตมาบนเส้นทางครูกระทางอารมณ์ไม่ว่าจะจากพ่อแม่ครูหรือเจ้านายถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งซ่อนอยู่ในร่างของคุณ เป็นอุญยนที่ถูกโปรแกรมไว้ให้มีอำนาจเหนือความรู้สึกนึกคิดคุณเคยโดนคนอื่นระบายอารมณ์ใส่ไว้อย่างไรมีโอกาสก็ระบายอารมณ์ใส่คนอื่นอย่างนั้นเช่นเคยโดนเจ้านายทำร้ายจิตใจหรือโดนกดดันมาท่าไหนก็มีแนวโน้มจะทำกับผู้ใต้บังคับบัญชาท่านั้นอันที่จริงไม่จำเป็นที่จะต้องโดนเจ้านายเล่นงานเสมอไปการสืบทอทายายกระสือ อาจมีต้นต่อมาจากผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูมาแต่อ้อนแต่ออกก็ได้แม้ไม่เจอเจ้านายแย่เลยก็อาจทำตัวแย่ๆกับลูกน้องเหมือนตอนตัวเองเป็นลูกน้อยได้พอลูกน้องหรือใครที่ด้อยกว่าทำเรื่องไม่สบอารมณ์ขึ้นมาแม้ใจคุณจะไม่อยากดา่าแต่หุญญ่นยนต์ข้างในมันก็จะทำงานสั่งให้คุณทำตาปูดโผลนบังคับให้คุณอ้าปากกว้างๆแย่เคียวหลงเลง ด่าเช็ดแบบอัตโนมัติเช่นเคยโดนทำร้ายจิตใจหรือถ้าคุณเป็นฝ่ายผิดแม้ใจคุณจะรู้สึกผิดและเสียใจแต่หุ่นยนต์ข้างในมันจะชิงพื้นที่ทางอารมณ์สร้างตัวตนดัน ด, น, ดนขึ้นมาทำปากแข็งหาเรื่องคนยนต์บาปให้แพ้ตัวน้อยๆรับผิดไปแทนถ้ารู้ตัวว่ามีหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมไว ให้เป็นเจ้านายผีผีเพี้ยนเพียนอย่าอ้างกับตัวเองว่าไม่รู้จะทำยังไงในเมื่อมันกามหัวใจคุณไว้อย่างนี้ที่ถูกคือคุณต้องตกลงกับตัวเองว่าจะไม่ปล่อยให้มันยืนทางคากรอมหัวคุณไปอย่างนั้นต้องเชื่อมั่นว่าถ้าคิดสู้ในที่สุดคุณจะชนะต้องมองว่าถ้าพยายามใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปวันลนิดพอเดือนปีผ่านไป ในที่สุดคุณจะคิดต่างไปเป็นคนละคนเริ่มต้นจากอะไรที่ยากน้อยๆเช่นเรื่องหยุมหยิมผิดเล็กผิดน้อยของลูกน้องแค่ตินิดติหน่อยด้วยเสียงเย็นๆก็พอไม่ต้องขมวดคิ้วนิ้วหน้าฟาดงวงฟาดงาใส่มันทุกเรื่องราวกับกลัวเขาจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายถ้าไม่ได่าเมื่อใส่โปรแกรมง่ายๆได้ ก็เขยืมมาใส่โปรแกรมยากขึ้นเรื่อยๆเช่นเรื่องที่ตัวเองผิดก็รู้จักรับผิดเพื่อมีใยอยู่เหนืออัตตาของหุ่นยนต์ข้างในแรกๆคุณจะพบอาถรรพ์ของอัตตาที่ห้ามไม่ให้แต่ต้องมันกาเกณฑ์ให้นึกอยากถวายหัวปกป้องมันแต่เมื่อทำได้ครั้งหนึ่งคุณจะรู้สึกเป็นอิสระจากมันอย่างประหลาดและเกิดความติดใจอยากเป็นอิสระจากมันมากขึ้น รู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นอโคมโหลนันเช่นที่นึกว่าขอโทษลูกน้องเป็นเรื่องเสียฟอร์มก็กลายเป็นเห็นว่ามีวิธีขอโทษที่สง่างามสบายสบายยิ้มยิ้มได้ยิ่งๆิงได้ดูเป็นมนุษย์กว่าเคยด้วยซ้ำประมาณนั้นแหละหลักฐานว่าหุ่นข้างในเริ่มพังคุณรื้อชีวิตตัวเองใหม่ได้ไม่ใช่จะต้องจมปลัก อยู่กับโปรแกรมเดิมๆตลอดไป